จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่ส7เจกันยายนพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆเพ็ยงได้ ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการมาวัดสมัยก่อนญาติโยมจะมาวัดในวันพระกันพอสมัยก่อนญาติโยมจะหยุดทำงานในวันพระแต่สมัยนี้เราเปลี่ยนวันหยุดมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระเลยไม่ตรงกับวันหยุดของพวกเรา เช่นเมื่อวานนี้เป็นวันพระขึ้นส5บห้าคำแต่พอดีญาิโยต้องไปทำงานทำการกันเลยไม่ได้มาวันสมัยนี้เราจึงเปลี่ยนวันพระมาเป็นวันหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันพระความหมายที่แท้จริงก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ให้พวกเราชาวพุทธหยุดทำภารกิจการงานหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพื่อมาหาบุญหากุศลเพราะชีวิตของเรามีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายที่ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องยุ่งหงว้เป็นที่อาศัย เราก็เลยต้องไปทำมาหากินเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายแต่เรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้เลี้ยงดูคือจิตใจของพวกเราจิตใจนี้เป็นส่วนที่สำคัญกว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นของที่ไม่ตายเหมือนร่างกายร่างกายตายไปแล้วจิตใจยังอยู่ต่อไป แต่จะอยู่แบบสุขหรือแบบไม่สุขก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เราทำกันถ้าเราทำบุญทากุศลเราไม่ทำบาปทากรรมเวลาร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเราทำบาปทากรรมใจของเราก็จะอยู่อย่างทุกข์อย่างเดือดร้อน พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้เรามาดูแลจิตใจของเราด้วยนอกจากดูแลร่างกายแล้วเราต้องดูแลจิตใจเพราะความสําคัญของจิตใจนี้สําคัญมากกว่าร่างกายร่างกายต่อให้ดูแลดีขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปส่วนใจนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่มีวันตายใจนี้แหละที่จะเป็นผู้ไปเกิดใหม่ไปได้พบใหม่ชาติใหม่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้เวลาตายไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาใจไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าบาป พ, พาไปบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะพาไปก็จะพาไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีไปตกนรกนี่คือที่ไปของพวกเราคือใจของพวกเราพวกเรานี่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราอยู่ที่ใจที่ไม่มีวันตายแต่ยังเป็นใจที่ยังทำบุญทำบาปอยู่ยังใจยังเป็นใจที่มีเชื้อของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่เราก็เลยต้องไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่เราหลังจากที่ร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเรานี้ตายไป ตัวที่เป็นตัวเราของเราคือใจนี่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่ไปเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปคือใจถ้าบาปก็จะเป็นอบายถ้าใจก็เป็นสวรรค์เป็นสุคติแล้วถ้าเราสามารถหยุดเชื้อของพพของชาติได้ เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมารับผลบุญผลบาปอีกต่อไป เ, เชื้อของพพของชาติตัวที่ฉุดลากให้เราต้องไปเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากจากกันซ้ำแล้วซ้ำอีก <c oughs> เราก็ต้องทำลาย ความโลภความโกรธความหลงทำลายความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยากในลาบยศสรรเสริญอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความอยากเหล่านี้ถ้ายังมีอยู่ภายในใจของเราอยู่มันก็จะดึงใจของเราให้ไป นัผลบุญผลบาปให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายกลับมาพลาดพลาดจากกันดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าและเราเห็นว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขเพียงอย่างเดียวมันทุกข์มากกว่าสุขความสุขที่ได้จากการมาเกิดแก่เจ็บตายสู้ความทุกข์ไม่ได้ เราร้องห่มร้องไห้กันมามากมายก่ายกองพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรารวบรวมน้ำตาที่เราร้องไห้ในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันนี้มันจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของความทุกข์ของพวกเราส่วนความสุขของพวกเรานี้เป็นเพียงเล็กๆน้อยๆเป็นผิวบางๆเหมือนน้ำตาลเครือบ ยาขมยาขมนี่หนาปึกเลยแต่น้ําตานี้เบาๆพออมไปเดี๋ยวเดียวพอน้ําตาลละลายไปแล้วก็เหลือแต่ความขมของยาฉันใดความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆก็เป็นความสุขเดียวๆแต่ความทุกข์นี้มันตามมาทีหลังและตามมาให้เราต้อง ร้องโหยร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกันดังนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเรามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะพัฒนาพบชาติของเราให้ดีขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายคือไปถึงพระนิพพาน ต้องไต่เต้าจากขั้นต่ำขึ้นไปก่อนเหมือนกับการเรียนหนังสือก็ต้องไต่เต้าจากชั้นอนุบาลขึ้นไปสู่ชั้นประถงชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาตามลำดับการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงก็ต้องพัฒนาไปตามลำดับ เช่นเราขั้นต้นพระเจ้า ก, ก็บอกว่าให้เรารักษาสถานภาพของการเป็นมนุษย์ไว้ตายไปอย่าไปเกิดในอบายอย่าไปเป็นเดรัจฉานการที่จะไม่เป็นเดรัจฉานเราต้องมีศีลห้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีศีลห้าเราก็เป็นเหมือนพวกเดรัจฉานนี่เองพวกสุนัขพวกแมวพวกวัวพวกควายนี้ เขาไม่มีศีลท่ากันเขาอยากจะขโมยอาหารเขาก็ขโมยเวลาเขาหิวสุนัขนี่เราก็รู้กันถ้าเราวางอาหารทิ้งไว้เผือเดี๋ยวสุนัข ก, ก็มาข้าไปกินเวลาเขาออกไปเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเขารู้เพียงแต่ว่าเขาหิวเขาต้องกินพอมีอะไรให้เขากินได้เขาก็กิน ถ้าเขาต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็จะฆ่าเห็นหมากินไก่หนมะหมากินไก่กินเป็ดเวลามันหิวมันอยากมันต้องกินมีอะไรมันกินได้มันก็กินเดราชาจริงไม่มีศีลห้ากันมันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วมันก็ไม่มีผัวไม่มีเมียมันเจอใครที่ไหน มันมีความกาหนัดมีราคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันก็จะร่วมเสพกามกับสัตว์ตัวที่มันเจอมันไม่สนใจว่าสัตว์ตัวนี้มีเจ้าของหรือไม่นี่คือลักษณะของสัตว์เดรัจฉานถ้าเราไม่มีศีลห้าเราก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเราประพฤติผิดประเวณี ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเป็นคู่ครองอยากจะร่วมหลับนอนกับใครก็ไปร่วมหลับนอนเช่นพวกที่ไปเที่ยวตามบาร์ตามผับกันพวกนี้ก็เป็นมะเหมือนสุนัขเดือน9สุนักเดือนเก้าเวลาเกิดความกำหนัดเกิดกามารมณ์ขึ้นมามันก็จะวิ่งหาคู่กันเจอตรงไหนมันก็ร่วมกันตรงนั้น คนเราสมัยนี้ก็ไม่ต่างจากเดรัชานพวกที่ไปหาคู่ตามบาตามผักนี่ก็กําลังทําตัวเป็นเหมือนเดรัฉาน <Yeah. S 1> คือเป็นผู้ประพฤติผิดประเวณี <Yeah. S 1> การประพฤติผิดถูกประเพณีก็คือการที่เรามีสามี <Yeah. S 1> มีภรรยา <Yeah. S 1> เป็นคู่ครองของเรา <Yeah. S 1> ต้องไปสู่ขอจากบิดามารดาผู้เป็นเจ้าของของ ของบุตรของทิดาให้ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ของผู้หญิงและของผู้ชายแล้วก็จัดพิธีแต่งกันประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าสองคนนี้เขาเป็นของกันและกันห้ามคนอื่นมาแตะต้องนะถ้าใครมาแตะก็ถือว่าเป็นเดรัจฉานไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ นี่คือสาเหตุที่ทําไมมนุษย์เราดีกว่าเดรัจฉานมนุษย์เราดีกว่าเดรัจฉานเพราะมนุษย์เราเครารพในสิทธิของผู้อื่นเราไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่ล่วงเกินชีวิตของผู้อื่นไม่ล่วงเกินทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ล่วงเกินผู้กครองของผู้อื่นเราจึงเป็นมนุษย์มนุษย์นี้จึงถือว่าเป็น สัตว์ที่จเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์รู้ผิดถูกรู้ดีชั่วรู้ขุนรู้โทษนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์คือต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ล่วงเกินผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เดื่มสุรายาเมาถ้าเรารักษาศีลห้าข้อนี้ได้ ตายไปเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนแต่ถ้าเราทำผิดผิดศีลเราก็ต้องไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนจนกว่ากรรมที่เราทำหมดไปเราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือข้อแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรา ปฏิบัติกันก็คือให้มีศีลห้ากันอย่าล่วงเกินกันอย่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นอย่าทำร้ายผู้อื่นเพราะจะลดฐนานราพของใจเราให้ลงจากการเป็นมนุษย์ไปสู่การเป็นเดรัจฉานนั่นเองและพอตายไปใจของเราก็จะไม่สามารถมาเป็นมนุษย์ได้จนกว่าจะไปใช้บาปกรันรที่ได้ทำไว้จน หมดแล้วถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้นี่คือข้อที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันไม่ให้ทำบาปละการกระทาบาปทั้งปวงสับปาปัสะอาการลนังแล้วข้อที่สองก็สอนให้เราสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรกุศลสู้ประซึมประทากุศลนี่ก็คือความดีต่างๆ การกระทำความดีจะทำให้เราพัฒนาจิตใจของเราให้สูงจากการเป็นนุษย์เป็นมนุษย์ให้ไปสู่การเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาเวลาตายไปแล้วเราได้ไปเกิดเป็นเทวดาเรานอกจากรักษาศีลของมนุษย์แล้วเราก็ต้องสร้างคุณธรรมของเทวดาขึ้นมาคือการกระทำความดีต่าง การสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการกระทำความดีสร้างกุศลอย่างวันนี้เรามาสร้างกุศลด้วยการนกากับข้าวกับปลาอาหารของขา้าวของหวานต่างๆมาถวายพระให้ความสุขให้ประโยชน์กับพระผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมการกระทำเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดี ให้ความสุขแก่ผู้อื่นการให้ความสุขกับผู้อื่นก็มีหลายวิธีนอกจากการให้ข้าวของต่างๆแล้วเราก็ให้ได้ด้วยการช่วยเหลือกันเช่นวันนี้มีญาติโยมจากโรงเรียนเสริมสวยมาถวายอาหารขาวหวานแล้วยังจะมาช่วยทําความสะอาดห้องน้ําห้องท่าให้กับวัด เพื่อให้ญาติโยมที่มาใช้ห้องน้ำจะได้มีห้องน้ำที่สะอาดได้ใช้กันห้องน้ำนี้สำคัญเพราะเป็นที่ที่ทุกคนต้องไปกันถ้าห้องน้ำไม่สะอาดเข้าไปก็ไม่มีความสุขเขาถึงเรียกห้องน้ำว่าสุขขาห้องของห้องแห่งหความสุขจะมีความสุขห้องน้ำก็ต้องสะอาดถ้ามีแต่ใช้แล้วไม่รักษาความสะอาดกัน มันก็สบพอปรกส่งกลิ่นเหม็นได้เวลาเข้าห้องน้ำแทนจะเป็นเข้าห้องสุก ข, ขาก็จะเป็นเข้าห้องทุกขาไปบางคนไม่อยากจะเข้าห้องน้ำเข้าเพราะความจำเป็นจริงๆแต่ถ้าเป็นห้องน้ำสะอาดอย่างตามโรงแรมนี้มีแต่คนอยากจะเข้ากันเพราะเข้าแล้วมันสะอาดมีน้ำหงน้ำหอมอ่าติดให้ดมอ่าย่างนั้นคือเรื่องของความสะอาดของห้องน้า ห้องแห่งความสุขวันนี้ญาติโยมของโรงเรียนสอนคนทาเสริมสวยความงาม mm. ก็จะมาเสริมความงามให้กับห้องน้ำของวัดเพื่อให้ญาติโยมที่เข้าวัดมีความสุขเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างกุศลสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นดังนั้นถ้าเรามีโอกาสมีเวลา ขอให้เรามาทำประโยชน์กันมีประโยชน์ได้หลายอย่างเรามีความรู้เราก็เอาเด็กนักเรียนมาสอนอสอนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่คิดเงินทอง อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำคุณทำประโยชน์มีใครเดือดร้อนคนเจลาไปโรงพยาบาลเองไม่ได้ก็พาเขาไป คนตาบอดคนพิการเดือดร้อนไม่สามารถไปหาอาหารมาได้ก็หาอาหารมาให้เขารับประทานคือให้เราช่วยเหลือกันให้มีความเมตตาต่อกันให้สงเคราะห์กันการกระทำความดีเหล่านี้จะทำให้จิตใจเราเป็นเทวดาตายไปเราก็จะได้เป็นเทวดานี่คือก่อนที่ เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่การไปเป็นเทวดาก็เหมือนกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะที่เทวดาไปนี่ก็เป็นโลกทิพย์นี่เองโลกทิพย์นี่มีความสวยงามวิจิตรพิสดารมากกว่าประเทศต่างๆที่เราไปท่องเที่ยวกันถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวเราก็ต้องพยายามทําความดีกันทํากุศลกันทําบุญทําทานกัน แล้วก็ต้องรักษาศีลถ้าไม่รักษาศีลเราจะไม่ได้ไปสวรรค์เราจะไปอบายแทนดังนั้นเราต้องทำทั้งสองอย่างถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ต้องรักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วก็ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหม สวรรค์ชั้นพรมนี้มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพนะถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนโรงแรมนะสวรรค์ชั้นเทพก็เป็นโรงแรมถึงระดับสามดาวสี่ดาวแต่ถ้าอยากจะไปอยู่โรงแรมระดับหาดาวก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะคนที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นห้าดาวคือสวรรค์ชั้นพรมก็ต้องสร้างกุศลเพิ่มนะ นอกจากการรักษาศีลนอกจากการทำกุศลแล้วก็ยังต้องมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลแปดกันศีลห้า น, นี้สำหรับพวกที่จะเป็นเทวดาพวกที่จะเป็นพรหมนี้เขาถือศีลแปดเพราะพรหมนี้ไม่หาไม่หาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายไม่หาความสุขจากรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเหมือนพวกเทวดา ผมนี่จะหาความสุขจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่สูงกว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้เสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพต่างๆผู้ที่อยากจะไปสวรรค์ชั้นพรมเลยต้องมาถือศีลแปดมานุ่งขาวห่มขาวมาอยู่ที่วัดกันเพราะอยู่ที่บ้านไม่สะดวก มีมีเสียงยั่วยวนกวนใจเยอะมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคอยดึงคอยล่อให้ติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากสวรรค์ชั้นพรหมคือความสงบของใจได้ผู้ที่อยากจะได้ไปสวรรค์ชั้นพรหมเลยต้องมาอยู่วัดกันมาอยู่บัดแบบ ชั่วคราวก็ได้อยู่แบบถาวรก็ได้พวกที่มาบวชเป็นพระนี่เป็นพวกที่อยู่ถาวรพวกนี้เขาต้องการไปสวรรค์ชั้นพรมเขาต้องการไปสวรรค์ชั้นนิพพานกันเขาต้องสลับสวรรค์ชั้นเทพคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่รับประทานอาหารเพื่อความสุข แต่รับเพื่อการดูแลเลี้ยงดูร่างกายรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วรับพอให้อยู่ได้ให้ร่างกายไม่ตายไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขรับประทานเพื่อให้ร่างกายไม่ทุกจากการอดอยากขาดแคนอาหารต่างๆแล้วก็ไม่ออกไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ไปสถานท่องเที่ยว ไม่ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานฉลองอะไรต่างๆเพราะไม่กินอาหารเย็นไม่ไปตามมหรศพไม่ดูมหรศพและบันเทิงต่างๆแต่จะอยู่ที่วัดนั่งหลับตาทำใจให้สงบ ก, การจะทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีเครื่องควบคุมความคิด เพราะความคิดของใจทําให้ใจไม่สงบนั่นเองเวลาใจคิดใจก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ดีบ้างอารมณ์ไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างฟุ้งซ่านบ้างวุ่นวายใจบ้างจึงหาความสุขจากความสงบไม่ได้การที่จะทําให้ใจสงบต้องมีสติตัวที่จะหยุดใจ สตินี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดจากการลรเลิกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวไม่ให้คิดถึงเรื่องต่างๆเช่นให้เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปถ้าเราเราเลอกอยู่แต่พุทโธพุทโธไปเราก็จะไปคิดถึงขนมนมเนยคิดไปถึงภาพยนตร์ละครคิดไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้พอเราไม่คิด ใจเราก็เลยไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆใจเราก็ว่างเย็นสบายถ้าเรานั่งเฉยๆใจเราก็จะนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งพอใจสงบรวมเป็นหนึ่งเราก็จะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วความสงบของใจนี่แหละคือสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะให้ความสุขนี้อยู่ไปอย่างถาวร ที่เราเรียกว่าเป็นพาตนิพพานเราก็ต้องเพิ่มกุศลอีกข้อหนึ่งเพิ่มการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งก็คือการสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างปัญญาให้เรามารักษาความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิให้สงบไปตลอดถึงแม้ว่าเราจะออกจากสมาธิมา เร า, เายังสามารถรักษาความสงบให้อยู่ต่อไปได้ถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมาออกจากความสงบมาพอเห็นขนมก็อยากกินเห็นเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มถ้าปล่อยให้ไปดื่มเราก็จะตกลงจากสวรรค์ชั้นพรหมมาสู่สวรรค์ชั้นเทพมาหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดแทน ถ้าเราไม่อยากจะตกลงมาจากสวรรค์ชั้นพรหมเราอยากจะอยู่แบบถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะการกระทำตามความอยากจะทำให้เราอยากไม่มีวันจบเมื่อไม่ได้สิ่งที่เราอยากเราก็จะทุกข์หรือถ้าเราเสียสิ่งที่เราได้มาเราก็จะทุกข์แล้วเราก็จะกลับมาหาสิ่งต่างๆใหม่ เราก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่เราอยากจะอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมเราก็ต้องหักห้ามความอยากต่างๆอย่าทำตามความอยากต่างๆอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่าอยากได้ลาบยศสรรเสริญอย่าอยากอยู่ไปนานๆอย่าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ความอยากเหล่านี้จะทำให้เราต้องออกมาจากสวรรค์ชั้นผอมออกมาจากนิพพานออกมาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็คือความอยากนี้เองเราต้องใช้ปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหยุดความอยากถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามีปัญญาเราจะหยุดความอยากได้เพราะขณะที่เรานั่งสมาธิเราก็หยุดความอยากเพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราได้หยุดความอยากเราไม่ได้รู้ว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยกับใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราเราก็จะไม่ หยุดความอยากกันพอออกจากสมาธิมาพออยากได้อะไรก็จะไปทำตามความอยากแต่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาสอนเราบอกว่าออกจากสมาธิมาแล้วอย่าไปทำความอยากให้อยู่เฉยเฉยดีกว่าถ้าจะทำอะไรก็ทำเพียงแต่สิ่งที่จาเป็นเท่านั้นเช่นแื่ต้องกินก็กินเมื่อถึงเวลากินกินเหมือนกินยาเมื่อต้องดื่มน้ำก็ดื่มเฉพาะน้าเปล่า อย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะมันจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมานั่นเองถ้าเราทำตามที่พระเจ้าสอนได้หยุดความอยากต่างๆได้เราจะมีความสุขมากกว่าการทำตามความอยากเพราะเวลาเกิดความอยากนี้เราอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยากจะกินขนมนี้ต้องไปหาขนมมากินและนั่งเฉยๆไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากกินขนมได้ เราก็จะนั่งเฉยๆได้อย่างมีความสุขนี่คือเรื่องของการมาวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรามาหยุดความทุกข์ต่างๆมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทำสามข้อ คือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพอสามกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะได้ไปสู่สวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดก็คือพระนิพพานสวรรค์ที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป จึงขอฝากเริ่มของการมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล